เจลนพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27ธันวาคมพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเดิมพลังให้แก่จิตใจ ที่เป็นเหมือนรถยนต์ที่มีความจําเป็นที่จะต้องแวะจอดตามสถานีบริการต่างๆเพื่อเติมน้ามันเพราะถ้าขาดน้ามันรถก็ไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้จิตใจก็เหมือนกันถ้าขาดบุญขาดกุศลที่เป็นน้ามันของจิตใจก็จะไม่สามารถดำเนินชีวิตไป ได้อย่างปกติจะล้มลุกคลุกคานไปเจิตใจของเราเป็นเหมือนรถยนต์ถ้าขาดบุญขาดกุศลก็ขาดกำลังใจคนเราเวลาไม่มีกำลังใจนี้มักจะทำอะไรที่เสียหายโดยเฉพาะกับตนเองถึงกับฆ่าตัวตายก็มีเพราะหมดกำลังใจดังนั้นเรา ไม่รู้ว่าชีวิตของเราน้ำมันจะหมดเมื่อไหร่กำลังใจจะหมดเมื่อไหร่จิตใจของเราต้องต่อสู้กับฟันฝ่ากับอุปรสรรคต่างๆก็เป็นเหมือนกับรถที่วิ่งขึ้นเขาถ้าไม่มีแรงก็จะขึ้นเขาไม่ไหวฉันใดถ้าเราไม่มีกำลังใจเวลาชีวิตเราพบกับอุปรสรรคต่างๆเราก็จะ ไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้อุปสรรคที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราต่อสู้ก็คือการพัดพรากจากกันเราอยู่ในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่เรามีอยู่ก็จะต้องพัดพราคจากเราไป เวลาเราสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปถ้าเราไม่มีกำลังใจเราจะไม่มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสูญเสียต่างๆไปได้แต่ถ้าเรามีน้ำมันหล่อเลี้ยงจิตใจ ใจิตใจของเราจะไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวเหมือนรถสะเทอนน้ำสะเทินบกน้ำท่วมก็วิ่งได้ภูเขาก็ขึ้นได้นถที่เขามีพลังเขาสามารถไปได้ในทุกสถานที่ฉันใดคนที่มีกาลังใจก็สามารถอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเจริญหรือเป็นการเสือ่อมเพราะว่าใจไม่เดือดร้อนใจมีสิ่งที่ดีกว่าใจไม่ต้องมีอะไรก็ได้ถ้ามีกําลังใจถ้ามีบุญมีกุศลใจจะมีความอิ่มมีความพอจะไม่หิวกับลาบยศสรรเสริญจะไม่หิวกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย มีก็ได้ไม่มีก็ไม่เสียหายไม่เดือดร้อนอะไรนี่แหละคือบุญกุศลที่พวกเรามาสร้างกันในวันนี้และทุกทุกวันถ้าเรามีเวลาเราควรที่จะรีบเติมพลังให้กับจิตใจของเราก่อนที่จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เราไม่ปรารถนากันเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะเจอกัน เราอยู่ในโลกของอนิจังไม่เที่ยมมีเกิดมีดับมีมามีไปมีเจริญมีเสื่อมเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมน้ํามันเตรียมกําลังใจไว้ต่อสู้กับเหตุการณ์ต่างๆถ้าเรามีแล้วเราก็จะเป็นเหมือนรถสะเทอนน้าสะเทินบกน้ําท่วมก็ขับได้เป็นภูเขาเป็นหลุมเป็นบอ่อ ก็ไปได้ไปในป่าในเขาได้ไม่เดือดร้อนนี่แหละคือธรรมะที่จะให้ความแกร่งความกล้าหาญความสามารถต่างๆให้กับจิตใจของเราได้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่พวกเรากราบไหว้บูชากันก็เพราะท่านมีพลังมีกำลังใจอย่าง เต็มร้อยท่านสามารถทำในสิ่งต่างๆที่พวกเราไม่สามารถทำกันได้เช่นเวลาที่พระพุทธเจ้าถูกเทวทัตมุ่งทำลายสงคนมาฆ่าสงช้างมาเหยียบกิ่งพุกก้อนหินลงมาจากเขาแต่พระพุทธเจ้าไม่สะทุกสะท้านเลยไม่ตื่นตนกไม่หวาดกลวัวและไม่โกรธ ด, ด้วย ให้อภัยไม่ไม่ถือโทษโกรเคืองผู้ที่จะมุ่งทำร้ายพระ อ, องค์เพราะพระ อ, องค์ทรงเห็นว่าความโกรธนี่แหละเป็นตัวร้ายที่แท้จริงไม่ใช่คนที่เขามุ่งทำร้ายเราเพราะเวลาเราเกิดความโกรธนี่ใครเดือดร้อนเราเดือดร้อนใจเราร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับนี่แหละ พวกเรายังไม่เห็นความจริงอันนี้เวลาโกรธแทนที่จะมาดับความโกรธกันเรากลับไปดับคนที่ทำให้เราโกรธไปฆ่าคนที่ทำให้เราโกรธพอฆ่าขเขาแล้วก็เดือดร้อนต้องคอยหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าหนีไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายไปนี่แหละเป็นเรื่องของคนที่ไม่มีกาลังใจ แต่คนที่มีกำลังใจอย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านเฉยได้กับทุกสิ่งทุกอย่างใจไม่เดือดรอ้อนเพราะท่านได้รู้ความจริงว่าใจไม่ได้ถูกอะไรทำรลายนั่นเองไม่ว่าใครจะทำร้ายเรามากน้อยเพียงไรแต่เขาไม่สามารถที่จะทำร้ายใจของเราได้แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดปรมาณู ก็ไม่สามารถทำลายใจได้แต่สิ่งที่จะทำลายหรือทำร้ายใจก็คือความโกรธความแค้นความโลภความอยากต่างๆนี่เองที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจที่พระพุทธเจ้าได้กำจัดจนหมดสิ้นไปแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะมาเขย่าใจได้ มาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้ไม่เหมือนกับพวกเราที่ยังไม่รู้จักวิธีกําจัดภัยต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราแทนที่เราจะกําจัดภัยในใจเราไปกําจัดภัยภา ย, ยนอกพอกําจัดภัยภายนอกก็ไปสร้างภัยเพิ่มขึ้นมาอีกเวลาไปทําร้ายผู้อื่น เวลาเขาทำร้ายเราเราก็สร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาอีกเขาก็จะจ้องทำร้ายเราต่อเราก็ต้องวุ่นวายไม่สงบใจเดือดร้อนวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าเราไม่หยุดเราไปก่อกรรมเวรต่อถ้าเขาทำร้ายเราแล้วเราเฉยเสียไม่ตอบโต้เรื่องมันก็จะจบตรงนั้น พราะเมื่อ เ, าเขาเมื่อเขาได้ทําร้ายเราแล้วเขาก็หมดโกรธแล้วเขาก็ไม่อยากจะมาทําร้ายเราอีกแล้วแต่ถ้าเรากลับไปทําร้ายเขาก็จะทําให้เขาโกรธขึ้นมาใหม่อีกเขาก็จะกลับมาทําร้ายเราอีกท่านยังเรียกว่าเวนย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวนยอมเวนย่อมระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวนเท่านั้น นี่แหละเราต้องไม่จองเวรเราต้องกำจัดภัยที่แท้จริงก็คือความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมแก้แค้นฟันต่อฟันตาต่อตาเนี่ยฟันต่อฟันเราเอาฟันเขาเขาก็เอาฟันเราเราตาเขาเขาก็เอาตาเรามันคุ้มที่ไหนสู้ยอมเสีย ผนเดียวแล้วจบดีกว่าพอเขาได้ทำร้ายเราแล้ ว, ลวเขาสบายใจแล้วเขาก็ไปแล้วเขาไม่มายุ่งกับเราอีกต่อไปอวิธีที่กำจัดเวงก็ต้องกำจัดด้วยการไม่จองเวงอย่าชนะผู้อื่นให้ชนะตัวเราเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่าการชนะผู้อื่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน 100, ก็สู้ชนะตัวเราไม่ได้เพราะถ้าเราชนะใจเราได้ชนะความโกรธได้ใจเราก็จะสงบไม่ไปก่ะเวรกาอกรรมไม่มีเวรไม่มีกรรมตามมาถ้าเราไปชนะผู้อื่นเขาก็จะโกรธเกลียดเราอาฆาตพยาบาทเราเขาก็จะจองเวรจองกรรมกับเราไปไม่มีวันสิ้นสุด อย่างเทวทัตนี้ก็จองเวรจองกรรมกับพระพุทธเจ้ามาทุกภพทุกชาติเจอกันที่ไหนจะต้องมีการก่อกรรมก่อเวรกันมาตลอดแต่ในชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตัดสรู้แล้วทรงเห็นแล้วว่าภัยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คู่กรรมคู่เวรไม่ได้อยู่กับบุคคลภายนอกแต่อยู่กับ ความโกรธเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทที่มีอยู่ภายในใจไม่เชื่อลองสังเกตดูเวลามีความโกรธนี่เราใจเป็นยังไงอยู่เป็นสุขไหมยิ้มออกไหมยิ้มไม่ออกกินข้าวลงไหมข้าวก็กินไม่ลงนอนก็นอนไม่หลับเพราะอยากจะไปทำร้ายเขาเพียงอย่างเดียว ยิ่งทำร้ายเข้าไม่ได้ก็ยิ่งโกรธใหญ่ยิ่งเครียดใหญ่แทนที่จะมาทำร้ายความโกรธความเครียดที่ทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับเรากลับไปทำร้ายผู้อื่นที่จะทำให้เรามีความเครียดเพิ่มมากขึ้นไปอีกนี่แหละคือความแตกต่างระหว่างพระพุทธเจ้ากับพวกเราพวกเรายังโง่อยู่ยังไม่รู้ว่าฆ่าศึกศัตรูที่แท้จริงนั้นอยู่ ที่ไหนกันแน่เรามักจะไปฆ่าศัตรูที่ไม่ใช่เป็นศัตรูของเราแล้วก็ไปสร้างศัตรูให้มีเพิ่มมากขึ้นไปดังนั้นเราต้องมาทำบุญมาทำทานมารักษาศีลมาภาวนามาฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะเมื่อเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราจะได้รู้ว่า อะไรเป็นค่าศึกษาดูของเราอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ค่าศึกษาดูของเราเพื่อเราจะได้มาแก้ปัญหาให้ถูกจุดปัญหาของเราทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ปัญหาของพวกเราอยู่ที่ใจของพวกเราเองเช่น<ๆ>ความโกรธนี้ก็เกิดจากอะไรความโกรธก็เกิดจากความอยากนั่นเอง อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นเราก็โกรธขึ้นมาถ้าเราอยากจะแก้ทําลายความโกรธที่ต้นต้นตอที่รากของมันเราต้องทําลายความอยากต่า ง, างๆให้หมดไปความอย่างในราบยศสรรเสริญใน รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้แหละที่ทำให้เกิดสงรามันขึ้นมาเวลาเขาทำสงรามันเขาก็ทำเพราะความอยากทั้งสามนี้ถ้าอยากได้ดินแดนของผู้อื่นก็ไปทำสงรามอยากเป็นใหญ่เป็นโตคมเหงรังแกผู้อื่นก็ไปทำสงราม อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ไปทำสงคราัแล้วหนีความแก่หนีความเจ็บหนีความตายไปได้หรือเปล่าก็ตายอยู่ดีแก่อยู่ดีเจ็บอยู่ดีแต่เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมสร้างความทุกข์ความเครียดให้แก่จิตใจผู้ที่ไม่มีความอยากจะไม่มีความเครียดไม่มีความทุกข์เพราะอยู่เฉยๆเป็นปกติได้ ไม่อยากได้อะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากไม่เป็นอะไรจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปตอนนี้ร่างกายมันเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปพรุ่งนี้ร่างกายมันตายก็ป <okay>. ล <PE> ่อยมันตายไปใจไม่ได้เป็นร่างกายไปวุ่นวายแทนมันทำไมเหมือนเราไปยุ่มกับคนอื่นทำไมคนอื่นเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายมันไม่เกี่ยวกับเราเลย เราก็ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับเขาแล้วเราไปวุ่นวายทำไมไปก่อเวรก่อกรรมกันทำไมไม่เกิดประโยชน์พวกเราไม่รู้จักอยู่กันอย่างสงบไม่รู้วิธีอยู่อย่างไม่มีความทุกข์กันเรารู้แต่วิธีอยู่กันเพื่อให้เกิดความทุกข์กันเพราะว่าเราไม่รู้ต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายของวิธี ที่จะอยู่เพื่อไม่ให้มีความทุกข์กันก็ต้องอยู่แบบไม่มีความอยากแต่ไม่มีความอยากไม่ไมได้หมายความว่าเราไม่ต้องทำอะไรเราก็ยังทำได้ทุกอยาก่างเพียงแต่ไม่ต้องไปทำตามความอยากทำตามเวลาทำตามหน้าที่เช่นถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาดูมีอะไรให้ดูก็ดูถึงเวลาฟังมีอะไรให้ฟังก็ฟังได้ ไม่ใช่ไม่ให้ดูไม่ให้ฟังไม่ให้ดื่มไม่ให้รับประทานเพียงแต่ว่าให้มันถึงเวลาของมันแล้วมันมาเองหรือถ้าเราหามาก็หาแบบสบายๆอย่าไปหาแบบเครียดหาแบบหาได้ก็ดีหาไม่ได้ก็ดีเช่นเราอยากจะได้อะไรเราก็ไปหามาไปทํางานทําการมาถ้าได้ก็ดี ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เอาก็ได้ไม่มีมันเราก็อยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็ตายไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายเหมือนกันมีมากมีน้อยต่างกันตรงไหนเรื่องความตายคนมีมากก็ตายเหมือนกันคนมีน้อยก็ตายเหมือนกันแต่คนที่ไม่อยากมีนี้ไม่เดือดร้อนอยู่ไปสบายสบายถ้าอยากมีแล้ว แต่ให้มีมากน้อยเพียงไรก็ไม่พอได้มาแล้วก็อยากได้ใหม่ของเก่าที่ได้มาก็ไม่สนใจมันดูเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้เต็มไปหมดน้นตู้ไปหมดรองเท้ากระเป๋าของเต็มบ้านไปหมดมันมีความหมายอะไรกับเราบ้างแต่พอออกไปข้างนอกเห็นกระเป๋าใบใหม่ขึ้นมาก็อยากได้เห็นรองเท้าคู่ใหม่ก็อยากได้ ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นเหมือนกระเป๋าใบเก่ารองเท้าคู่เก่า น, นั่นแหละได้มาทาไมนี่แหละเป็นปัญหาของพวกเราแล้วพอหามาไม่ได้ก็เสียใจบางทีเงินไม่พอก็ต้องไปขโมยไปโกงมาเพื่อที่จะได้มาซื้อของต่างๆซื้อแล้วพอหรือเปล่าซื้อแล้วมีความสุขมีความอิ่มหรือเปล่า ก็เหมือนเดิมซื้อแล้วก็มีความอยากเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกนี่แหละปัญหาของพวกเราเราไม่มาแก้ทันที่เหตุของของความวุ่นวายใจของความทุกข์ใจต่างๆก็คือความอยากเหล่านี้เองมีพระพุทธเจ้ากับพาาาระอรหันต์ท่านนั้นที่ท่านแก้ปัญหาถูกจุดท่านจึงอยู่อย่างสบายอยู่แบบปรมังสุขขังท่านก็ไม่มีอะไรมากมาย เหมือนพวกเราท่านมีน้อยกว่าพวกเราพระพุทธเจ้ามีสมบัติเพียง8ชิ้นเท่านั้นเชื่อหรือเปล่ามีบาอยู่ใบมีผ้าไตสามผืนมีที่รัดเอวหนึ่งชิ้นมีมีดโกนมีเข็มกลัดได้มีที่กรองน้ํานี่คือสมบัติของพระพุทธเจ้ามีเท่านี้แต่ท่านกลับมีความสุขมากกว่าพวกเราเป็น เป็นล้านเท่าพวกเรามีสมบัติเต็มบ้านแต่หาความสุขไม่ได้มีความทุกข์เต็มหัวใจทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้แตเพราะเราไม่หยุดความอยากของเรานั่นเองถ้าเราหยุดความอยากของเราแล้วเราก็จะเป็นเหมือนกับพ่อพระพุทธเจ้าเหมือนกับพออระอรหันต์ทั้งหลายท่านหยุดความอยากเต่นนั้นเอง ท่านไม่ได้ทำอะไรมากไปก่อนนั้นแล้วท่านก็นำมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราถ้าพวกเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างไม่มีความทุกข์เราก็ต้องมาหยุดความอยากกันวิธีหยุดความอยากก็ให้ทำทานเช่นอยากจะซื้อกระเป๋าก็เอาเงินที่จะซื้อกระเป๋านี้มาทำทานแทนเอามาซื้อของซื้อ อาหารหรือซื้อของจำเป็นให้แก่ผู้ที่เขาอดอยากขาดแคลนเดือดร้อนจะให้กับพระก็ได้ให้กับญาติโยมพี่น้องก็ได้ให้กับเดลฉานก็ได้ให้แล้วจะให้ความสุขกับเราใจเราจะมีความสุขเวลาเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยบช่วยบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่น อย่างวันนี้ญาติโยมก็ได้ความสุขเวลามาทําบุญแล้วจะมีความสุขแต่ลูกๆนี้จะไม่ค่อยได้ความสุขเพราะว่าไม่ได้เอาของของตัวเองมาทําเอาของของแม่มาทําก็เลยไม่รู้สึกอะไรของถ้าอยากจะได้ความสุขต้องเป็นของของเราเองถ้าเป็นของของคนอื่นให้ไปแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เสียอะไรไป เราต้องเสียของที่เรารักไปเช่นวันวนี้ญาติโยมเสียเงินสเสียทองไปเนี่ยเวลาเสียเงินทองไปเสียของที่รักไปด้วยความยินดีแทนที่จะเสียใจแทนที่จะทุกข์ใจกับมีความสุขใจมีความอิ่มใจขึ้นมานี่แหละคือวิธีหยุดความอยากเวลาอยากจะใช้เงินไปซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องซื้อก็เอามาซื้อ เอามาทำทานเอามาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดรอ้อนไปปล่อยนกปล่อยปลาที่หน้าวัดก็ได้ไปซื้ออาหารมาให้สุนัข ก, กินก็ได้ไปซื้ออาหารมาถวายพระใส่บาตรก็ได้ได้ทั้งนั้นขอให้เราทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขมันเทาความทุกข์ของผู้อื่นแล้ว ใจของเราจะเกิดความสุขขึ้นมาทันทีนี่แหละคือวิธีแรกที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาตัดความอยากกันอย่าซื้อของที่ไม่จาเป็นซื้อของที่เรามีมากเกินไปเสื้อผ้ามีเต็มตู้แล้วไม่ต้องซื้อใหม่เราให้มันใช้หมดตู้ก่อนรอให้มันไม่พอใช้ก่อนรองเท้าใส่ให้มันพังก่อน สายหมันจนใส่ไม่ได้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนคู่ใหม่กระเป๋าก็เหมือนกันมันยังใช้ได้ดีอยู่ก็อย่าไปเปลี่ยนมันก็ตอนที่ซื้อมาใหม่ๆมันดีแสนดีทําไมพออยู่กับมันไปสักพนะักเนาะมันกลายเป็นไม่ดีไปได้มันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ทุกอย่างแล้วอย่าไปคิดว่ากระเป๋าใบใหญที่เราคิดว่ามันดีเราจะใช้มันไปตลอดซื้อมาได้ไม่กี่วันเดี๋ยวก็เก็บไว้แล้ว อยากจะซื้อใบใหม่อีกแนละ้วความอยากมันจะหลอกเราไปอย่างนี้ไปเรื่อยเวลาเห็นอะไรมันจะบอกว่าดีไปหมดพอได้มาแล้วมันก็กลายเป็นไม่ดีไปหมดต้องเปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นเราอย่าทาตามอารมณ์อย่าทำตามความอยากจะทาอะไรให้ตามทำตามเหตุตามผลถ้าเราต้องซื้ออะไรก็ถามก่อนว่าของที่จะต้องซื้อนี้จำเป็นไหม ถ้าไม่มีแล้วจะตายหรือเปล่าถ้าไม่ตายก็เรียกว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปซื้อมันใช้ของเก่าไปก่อนใช้ให้มันจนกระทั่งไม่มีจะใช้แล้วค่อยไปซื้อใหมน่นี่คือวิธีต่อสู้กับความอยากเราอย่าปล่อยให้มันไหลไปตามความชอบเพราะความชอบนี่เป็นเป็นอารมณ์เวลาไ ม, ม่เวลาเห็นก็ชอบ พอได้มาแล้วก็เบื่อไม่ชอบแล้วอยากจะได้ใหม่อีกแล้วถ้าเราไม่ใช้เหตุผลนี้เราจะไม่สามารถกำจัดความอยากต่างๆได้แต่ถ้าเราใช้เหตุผลแล้วความอยากมันจะสู้เราไม่ได้ดังนั้นขอให้เราพยายามต่อสู้กับความอยากด้วยการทำทานแล้วข้อที่สองก็คือรักษาศีล ไม่ทำบาปเวลาเราอยากจะทำร้ายผู้อื่นหรือเวลาเราโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นหรือสามีภรรยาของผู้อื่นแฟนของผู้อื่นเราก็ต้องใช้ศีลมาหยุดมันให้ได้ถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะไม่ลักทรัพย์จะไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นมาถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะไม่ไปยุ่งกับสามี ภรรยาของผู้อนะพอเราไม่ทำบาปแล้วเราหยุดความอยากเรากับมีความสุขมากกว่าเวลาที่เราทำบาปถ้าเราทำบาปไปลักทรัพย์ของผู้อื่นมาลักมาเสร็จแล้วใจของเราเป็นอย่างไรสงบไหมหรือ ว, วิตกกังวลวุ่นวายห่วงใยกลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษ แต่ถ้าไม่ทำบาปไม่ไปขโมยทรัพย์ของผู้อื่นมาเราจะเดือดรอนะ้อนเวลาเจอตารวจเรารู้สึกเสียววับก็ไปในหัวใจหรือเปล่า<ม>นี่แหละคือสิ่งที่เราจะมาทําให้ใจของเรามีความสุขบาบัดความทุกข์ก็คือต้องไม่ทําบาปต้องรักษาสีห้าข้อให้ได้ต้องละเว้นจากการฆ่าสัพย์ลักทรัพย์ พูดผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาและอบายามุกต่างๆเพราะว่าทำไปแล้วจะทำให้จิตใจว่าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาไม่มีความสุขต่อให้ได้เงินทองมาเป็นล้านเป็นเป็นหมื่นล้านก็จะไม่มีความสุขเพราะใจจะมีความวิตกกังวลหวาดกลัว เป็นเหมือนกับวัวสันหลังหวาเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคิดว่าเขาจะมาจับเราทั้งๆ ท, ที่เขาไม่รู้เรื่องเราเขาเพียงแต่จะมาเยี่ยมเยียนมาอวยพรวันเกิดพอเห็นตำรวจก็เสียววากไปที่หัวใจนี่แหละเพราะว่าเรามีแผลอยู่ในใจการทำบาปนี่แหละเป็นการสร้างแผลขึ้นมาในใจ ที่จะทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขกันแต่ถ้าเรารักษาศีลได้ใจของเราก็จะสงบจะเย็นจะสบายไม่เดือดร้อนแล้วท่านก็สอนให้เรามาหยุดความอยากด้วยการภาวนาภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะก็หยุดใจหยุดความคิดหยุดความคิดได้ก็หยุดความอยากได้เวลาใจหยุดคิด ใจไม่คิดถึงขนมนมเนยก็ไม่อยากกินไม่ได้คิดถึงกระเป๋ารองเท้าก็ไม่อยากซื้อไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่อยากได้ถ้าเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆใจของเราก็จะไม่คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดเราก็หยุดมันได้พอเราคิดอยากจะกินขนมเราก็ต้องพุทโธพุทโธเช่นตอนนี้อยากกินขนมยังไม่ถึงเวลากิน ก็พุโทโธพุธโทโธไปก่อนพอพุโทโธไปสักรยะหนึ่งพอลืมไม่ได้คิดถึงขนมความอยากกินขนมก็จะหายไปนี่เรียกว่าสมถะภาวนาทาใจให้สงบทำใจให้ว่างจากความคิดต่างๆพอว่างแล้วใจก็จะไม่หิวไม่อยากแล้วถ้าออกจากความสงบมาถ้าอยากจะตัดความอยากอย่างถาวร เวลาอยากได้อะไรก็ให้คิดว่าได้มาแล้วก็ะท่งนั้นได้มาแล้วก็อยากได้ใหม่อีกได้มาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบสิน้นสู้อยากไปยากมันดีกว่าถ้าไม่อยากแล้วต่อไปก็ไม่มีความอยากตามมาอีกต่อไปไม่มีความอยากแล้วก็อยู่อย่างสบายนี่แหละคือการมาสร้างพลังสร้างกำลังใจให้กับเรา ด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาเพราะจะตัดตัวที่มาทำให้เราไม่มีกำลังใจตัวที่มากัดกรรกำลังใจของเราก็คือความอยากต่างๆนี่เองพอเราทำลายความอยากได้หมดแล้วเราก็จะมีกำลังใจสามารถเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะดีหรือจะชัว่วก็ไม่เป็นปนัญหา ไม่ว่าจะเกิดหรือดับจะเลิญหรือเสือ่อมใจของเราจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเพราะเราไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆนั่นเองสิ่งต่างๆจะเกิดจะดับก็ปล่อยเขาเกิดดับไปคนจะเกิดจะตายก็ปล่อยเขาเกิดไปตายไปเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาเลยเราไปวุ่นวายกับเขาเองต่มานี่แหละคือการมาเติมน้ำมันเติมพลังให้กับจิตใจ ขอให้พวกเราพยายามเติมกันบ่อยๆเติมกันเรื่อยๆทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆทำทุกวันรักษาศีลทุกวันภาวนาทุกวันฟังเทศฟังธรรมทุกวันแล้วเราจะมีพลังที่จะพาให้ชีวิตของเรานี้ไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขแข็วค้ า, าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลัตนไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นั่นมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนัสุขะภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ